วัดวาศาสนาไม่ใช่ของผู้หนึ่งผู้ใดไม่ใช่ของพระไม่ใช่ของโยมเป็นของพุทธบริษัทสี่เรานั้นพวกเราได้ถวายที่ดินไว้ในพระพุทธศาสนาเป็นบุญกุศลมหาศาลเป็นบุญกุศลยิ่งใหญ่พวกเราก็ได้รวบรวมกันซื้อที่ดินถวายวัดป่าพิมายแห่งนี้ จนเป็นรูปเป็นร่างขึ้นมาอย่างพวกเราท่านทั้งหลายได้เห็นนี่แหละจากนั้นก็ได้สร้างเซนาชนะสง์ให้พวกเราได้เพึ่งพาใสาพระสงฆ์เข้ามาปฏิบัติธรรมผู้ได้สร้างหรือผู้ได้ซื้อที่ดินไว้ในพุทธศาสนาเป็นบุญกุศลอย่างยิ่งเพราะเราได้ลงทุนให้าวเข้าหุ้นลงทุนไว้แล้ว ถึงพวกเราจะไปอยู่ในบ้านไม่ได้มาในสถานที่แห่งนี้แต่ว่าพระสงฆ์ญาติโยมผู้ใดมาปฏิบัติธรรมแห่งนี้ก็มาเหยียบมาอาศัยพื้นแผ่นดินของพวกเรามาอาศัยเสนาชนะสงของพวกเราพวกเราก็ได้รับบุญกุศลจากผู้ที่เข้ามาพึ่งพาอาศัยจะเป็นนกหนูสัตว์ประเภทต่างๆถ้าเข้ามาอยู่ในวัดของเราที่ดินของเรา ได้รับความร่มเย็นตลอดพระสงฆ์ผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบมาอยู่ที่วัดของเรามาปฏิบัติที่กุฏิของเราพวกเราก็คิดบัญชีเหมือนกับคนไปพักโรงแรมอย่างนั้นนะแตถ้าหากว่าผูบาอาจารย์องค์ไหนมาปฏิบัติภาวนาจิตสงบอยู่ในที่วัดของเราเสนาสนะของเราจนถึงได้เป็นพระโสดาสกทาคาอานาคาพระหรหันบุญกุศลของเรา ที่ได้ลงทุนไว้นี้เป็นกุศลยิ่งใหญ่มหาศาลเป็นอนันตการทีเดียวเพราะฉะนั้นการสั่งสมบุญกุศลการสร้างวัดวาศาสนาถ้าจะว่าไปแล้วถ้าให้คิดให้ไกลแล้ว<ม>เป็นบุญกุศลอันยืดยาวทีเดียวเพราะฉะนั้นพวกเราก็ได้ร่วมร่วมกันสร้างวัดป่าพิมายแห่งนี้เป็นรูปเป็นร่างขึ้นมากาพรพวกนี้ละ่ะ ก็จะประกาศรวบรวมที่ดินและก็เสนาธนะสงให้เป็นสักขีพยานถวายสงในพระพุทธศาสนาขณะนี้พระสงฆ์ครูบาอาจารย์ก็หลั่งไหลเข้ามาวันพรุ่งนี้แหะไม่รู้ว่าจะเป็นเท่าไหร่ก็เห็นครูบาอาจารย์มากหน้าหลายตาพอสมควรที่จะเป็นสักขีพยานฝ่ายสง์แล้วก็ฝ่ายญาติโยมผู้ที่มีศรัทธา ก็คงจะมาพร้อมกันวันพรุ่งนี้เน่เมื่อมาพร้อมกันแล้วก็คงจะทำพิธีนะถวายวัดถวายเ ส, ยนาสนาสนะสงฆ์ไว้ในพระพุทธศาสนาอันนี้หลวงพ่อได้พูดให้พวกคณะสัทายาญาณโยม ท, ทุกทท่านเนะข้าใจในเรื่องการบุญการกุศลที่พวกเราที่มาร่วมจัดงานหรือว่ามาร่วมงานในในครั้งนี้นะและก็พร้อมกัน ในเย็นนี้พวกเราได้มาศาลาแห่งนี้เพื่อจะได้มาฟังโอวาทหรือมาฟังขับพูดของหลวงพ่อหลวงพ่อมาทุกครั้งก็มาก็ได้พูดอะไรให้ญาติโยมเป็นเครื่องเตือนสติเตือนใจสําหรับพวกเราทุกๆุ ท, กท่านพวกเราทําไมจึงได้สร้างบุญสร้างกุศลทําไมจึงได้เสียสละ รับสมบัติเพื่อสร้างวัดวาศาสนาพวกเราอย่างหลวงพ่อในทำไมจึงบวชอยู่ในป่าเขาลำเนาไพรอยู่ด้วยความยากลำบากมียุงมีลิ้นมีสัต์ต่างๆไม่สะดวกสบายในยูนการอยู่ในป่าบางทีก็เดินบิดาบัด้าไกลเป็นหลายกิโล แต่ทำไมพระสงฆ์ครูบาาจารย์จึงอยู่อย่างนั้นแต่พวกเราทำไมจึงมาปฏิบัติอย่างนี้หลวงพ่อว่าไม่มีอย่างอื่นคือศรัทธาคือความเชื่อเป็นเบื้องต้นศรัทธาคือความเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วบาปบุญนรกสวรรค์มีจริงตายแล้วเกิดอันนี้คือความเชื่ออยู่ในใจของพวกเรา แต่หากว่าพวกเราไม่เชื่อว่าตายแล้วศูนยอย่างเดียวเท่านั้นน่ะบาป บ, บุญนรกสวรรค์ไม่มีพวกเราก็คงจะไม่มาสแสวงบุญอย่างนี้แต่ว่าความเชื่อคํานี้ก็ไม่ใช่ว่าจะมีมาตรฐานเสมอกันทั้งหมดบางคนก็เชื่อน้อยบางคนก็เชื่อมากบางคนก็เชื่อร้อยเอร์ซว่าตายแล้วเกิดแน่นอนไม่เป็นอย่างอื่นแต่สําหรับญาติโยมจะถามหลวงพ่ออินว่า หลวงพ่อมีความเชื่อขนาดไหนว่าตายแล้วเกิดนรกสวรรค์มีจริงบาปบุญคุณโทษมีจริงหลวงพ่อเชื่อขนาดไหนหลวงพ่อนี่ถ้าาว่าร้อเปอร์เซนหลวงพ่อก็เกิดร้อยถ้าหมื่นเอร์เซนหลวงพ่อก็เกินหมื่นบางการเถิดอันนี้คือศรัทธาของหลวงพ่อเชื่อในพระธรรมคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าว่าตายแล้วเกิดจริงๆแล้วทําไมเอาอะไรมาเป็นหลักฐาน ในการเชื่อของหลวงพ่ออันนี้หลักฐานก็คือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเมื่อพระพุทธเจ้าท่านตัดสรู้ธรรมท่านนำพระธรรมคำสั่งสอนของพระองค์มาเผยแผ่มาเขียนแผนที่แต่ก่อนไม่มีใครรู้ว่ามรรคผลนิพพานนรกสวรรค์เป็นยังไงแต่เมื่อพระพุทธองค์ ได้ตัดรู้ธรรมที่คโครนต้นโพเมื่อเดือนหกเพนเมื่อสองพันห้าร้อยสี่สิบแปดปีให้หลังอันนี้ก็ใกล้จะถึงเดือนอหกเพนแล้วเนี่ยวันที่ยี่สิบสองนี่ก็เป็นวันวิสาขาบูชาเป็นวันที่พระพุทธเจ้าประสูตตัดรู้ปรินิพานในวันนั้นละ่ะวันที่ยีิบสองที่จะถึงนี่แหละอเป็นวันที่ราลึกถึงพระพุทธเจ้าที่ท่านตัดรู้ที่คโครนต้นโพ เมื่อท่านได้ตัดสิ้นแล้วเหมือนกับท่านเดินทางไปเคลื่อนไปยอดเขาหรือว่าไปเห็นสิ่งเท่สูงสุดที่มนุษย์ในยุคนั้นไม่เคยมีใครรู้ใครเห็นมาก่อนแต่ว่าพระธรรมที่พระพุทธเจ้ารู้เห็นนั้นเป็นพระธรรมอันเก่าอันเก่าคืออะไรคือพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆที่ก่อนพระพุทธเจ้า ในพัตธกัปนี้ก็คือกุกุสันโธโกณคมโนกัจโปลสามองค์แล้วในพัตธกับนี้แต่พระโคตโมคือพระโคตมะพุทธเจ้าของเราเนี่ยท่านก็ไปรู้ธรรมอย่างที่พระพุทธเจ้าองค์ก่อนก่อนรู้แต่ว่าพอหมดยุคหมดสมัยหมดความเคารพหมดความเชื่อถือก็จบไปถ้าจะเปรียบเทียบก็เหมือนยุคสมัยนี้ ยุกสมัยนี้ทําเครื่องบินได้แต่ต่อไปถ้าว่ามีศึกสงครามข่าวฟันลันแทงกันขึ้นเครื่องบินก็ไม่มีใครสร้างเพราะมีโรงงานเพราะทําลายกันแล้วมันก็จบกันนักวิชาทั้งหลายก็ล้มหายตายจากไปมันก็หมดพอมันหมดแล้วทีนี้ต่อไปภายภาคหน้าบ้านเมืองเจริญขึ้นมาอีกเขาก็คิดค้นขึ้นมาอีกอาจจะดีกว่าทุกวันนี้ก็ได้ที่เขาก็คิดขึ้นมาได้อีก เขาก็ทำต่อไปอันนี้ถ้าหากว่าไปแล้วก็คือนักวิทยาศาสตร์ของเขาเขาก็สืบเรื่องของเขาอันนี้ก็เหมือนกันพระพทุทธเจ้าท่านได้ตรัสรู้ธรรมในองค์ ก, กรเมื่อท่านได้ตรัสรู้ธรรมพอมาถึงยุคหนึ่งคนไม่ครบไม่เลื่อมใสไม่นับถือพระธรรมคำสั่งสอนของพระพทุทธเจ้าก็หมดไปแต่ความจริงนั้นไม่หมด ถ้าใครค้นคว้าถ้าใครยังนับถือถ้าใครปฏิบัติตามก็จะได้มักได้ผลเหมือนเก่าแต่ว่าความเชื่อนั้นมันห่างเหินมันขาดไปอันนี้พระพุทธเจ้าของเราท่านได้ตัดรู้ธทำบรรลุธรรมเห็นธรรมเมื่อท่านเห็นแล้วท่านก็นํามาเผยแผ่มาบอกให้พวกเราได้รับรู้รับทราบสรุปแล้วก็คือมาเขียนแผนที่ เขียนแผนที่ให้พวกเราเดินอันในสงทานเป็นยังไงคนที่ให้ทานเป็นยังไงคนที่รักษาศีลเป็นยังไงคนที่ภาวนาเป็นยังไงสมาธิปัญญาปัญญาที่จะหลุดพ้นจากกิเลสเป็นยังไงเพราะพระพุทธเจ้าท่านเขียนแผนที่ไว้หมดเพราะฉะนั้นเมื่อเขียนแผนที่ไว้แล้วผู้ที่ ตั้งอกตั้งใจศึกษาเดินตามแผนที่เมื่อศึกษารู้ว่าดูแผนที่แล้วไม่ใช่ดูเฉยๆนะถ้าดูเฉยๆแล้วก็ไม่เดินตามแผนที่อย่างปริยัตเนี่ยเมื่อเรียนรู้ปริยัตแล้วไม่ปฏิบัติอันนี้แปลว่าเรียนแผนที่เฉยๆเพอเพลเรียนไปเรียนมาก็เลยสงสัยแผนที่อีกว่าแผนที่นี้โกหกหรือเปล่า เพราะตัวเองไม่ได้เดินตามแผนที่ก็เลยสงสัยแผนที่นั้นอีกแต่ตามไม่จริงแผนที่ของพระพุทธเจ้านั้นถ้าว่าผู้ใดปฏิบัติเดินตามแผนที่ของพระพุทธเจ้าแล้วมีแต่ความสงบสุขทางด้านจิตใจเพราะฉะนั้นอย่างพวกเราท่านทั้งหลายครูบาอาจารย์ทั้งหลายโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลวงปู่มั่นหลวงปู่เสาหลวงปู่ต่างๆที่เป็นลูกศิษย์ลูกหาของ อ, องค์หลวงปู่ พยายามเดินตามแนวแถวแผนที่ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้ตรัสเอาไว้นั่งสมาธิทำยังไงท่านก็นั่งสมาธิปฏิบัติตามที่กำหนดอะไรกำหนดกลมหายใจเข้าออกอย่าส่งจิตไปข้างนอกนะให้มีสติอยู่กับตัวเองให้มีสติอยู่กับตัวเองให้จิตอยู่ในร่างกายอย่าส่งไปที่อื่นอันนี้พวกเราก็ปฏิบัติตามปฏิบัติอย่างเคร่งครัดอีกต่างหาก นั่งทั้งวันทั้งคืนเดินจงกรมวดนอนผ่อนอาหารเราทําทุกอย่างที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้เขียนแผนที่เอาไว้พยายามเดินตามแนวแถวแผนที่นั้นๆเพราะนั้ น, น, นถึงเราจะไม่ถึงเดินไม่ถึงจุดหมายปลายทางแต่เราเดินไปถึงระดับหนึ่ง <Yeah. S 1> เหมือนกับท่านเขียนว่า <Yeah. S 1> เราอยู่จุดนี้นะ <Yeah. S 1> เดินไปข้างแรก จะไปเจอปาสาดหินพี่ไมยเดินต่อไปจะไปถึงเมืองโคราชเดินต่อไปจะไปถึงสระบุรีเดินต่อไปจะไปถึงกรุงเทพแต่เราเดินไปถึงพี่ไมยเราก็เออพี่ไมยมีจริงเมื่อเราเดินไปถึงโคราชเออโคราชมีจริงเราก็เชื่อมั่นว่าแผนที่นี้ถูกต้องถ้าเดินไปเองก็คงจะถึงสระบุรี ถ้าเดินจริงๆก็ถึงกรุงเทพแน่นอนไม่ต้องสงสัยอันนี้คือผู้เดินตามแนวแถวแผนที่ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้ถ้าหากว่าคนที่ไม่ได้เดินตามแผนที่ดูแต่แผนที่เฉยๆก็สงสัยในแผนที่แต่ถ้าหากว่าพวกเราเดินตามแผนที่แผนที่นั้นจะเป็นเครื่องชี้นาให้พวกเราเดินสู่จุดหมายปลายทางได้อันนี้ก็เหมือนกันแผนที่ที่พระพุทธเจ้าที่ท่านเขียนคือพระธรรมคาสั่งสอนทั้งหมด แปดหมสพันพระธรร ม, มขันนั้นคือแผนที่ของพระพุทธเจ้าที่ให้พวกเราเดินตามแนวแถวแผนที่นั้น เ, เมื่อเรานั่งสมาธิพระพุทธเจ้าว่าคณิกะสมาธิเป็นยังไงเมื่อเราทําจิตกําหนดอย่างนั้นอย่างนั้นจิตสงบอย่างนั้นเป็นคณิกะเมื่อจิตคณิกะสมาธิจะมีความสุขขณะนั้นเมื่อเป็นอุปจาระสมาธิจิตจะได้รับความสงบอย่างนั้น เมื่อเป็นอัปปนาสมาธิจิตจะลึกซึ้งในรับความสงบอย่างนี้เมื่อจิตสงบแล้วออในขณะที่สงบเป็นอัปปนาสมาธิจะพิจารณาอะไรไม่ได้ให้ถอนขึ้นมาถึงอุปจารสมาธิสัก่อนจากนั้นจะนํามาพิจารณาทางด้านปัญญาพิจารณาอะไรพิจารณาธาตุขันธ์ร่างกายพิจารณาถึงอสุภะปฏิกูลพิจารณาถึงออมรณะนุสติ เสียงเหล่านี้พระพุทธเจ้าท่านสอนไว้หมดเพราะนั้นเราเดินตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าสอนเนี่เป็นจริงอย่างนั้นจริงๆไม่มีทางอื่นปีกแวะเพราะนั้นเราจึงเชื่อว่าพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่เป็นสวากขาตธรรมตรัสไว้ชอบแล้วเพราะนั้นครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านปฏิบัติตามแนวแถวที่พระพุทธเจ้าสั่งสอนเอาไว้จิตของท่านเข้าสู่ความสงบ เป็นหนึ่งท่านรู้ได้ว่าร่างกายนี้แตกสลายแน่นอนแต่นามปธรรมคือจิตใจนั้นโดดเด่นอยู่ในร่างกายเนี่ยโดดเด่นร่างกายนี้ไม่ตายไม่แตกสลายแน่แน่เพราะนั้นท่านรู้ด้วยตนเองท่านจึงตั้งความเชื่อ ร้อเต็มร้อยพันเต็มพันหมื่นเต็มหมื่นเหมือนกน่นเปอร์กนน็ก็ต้องเชื่อว่าหมื่นเปอร์เซ็นเพราะนั้นพวกเราท่านทางหลายที่เป็นพุทธมามกะพุทธบริษัทถ้าหากว่ายังไม่เชื่อเต็มร้อยก็ให้ตั้งความเชื่อไว้ก่อนระดับหนึ่งจากนั้นก็ให้พิสูจน์แต่ถ้าหากว่าไม่เชื่อเสียเลยเป็นนั้นว่าเราปิดหูปิดตาไม่ได้ไม่ได้เชื่ออะไรทั้งหมดจะเป็นผลดีสําหรับเราไหม เหมือนคนตาบอดคนตาบอดไม่เชื่อคนตาดีแล้วจะเป็นยังไงคนตาดีพระพุทธเจ้าครูบาอาจารย์บอกว่านารกสวรรค์มีเนะบาปบุญคุณโทษมีจริงนะ้าตายแล้วเกิดนะ้าแต่ตาบอดบอกว่าไม่เชื่อไอความไม่เชื่อของตาบอดนั้นจะเกิดประโยชน์ไหมในเมื่อมันมีจริงอยู่อย่างนั้นมันไม่เกิดประโยชน์เพราะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายให้เชื่อ ครูบาอาจารย์ถึงพวกเราจะมีตาดีข้างนอกแต่ตาปัญญาของเรานั้นไม่เฉียบแหลมมันยังบอดอยู่เพราะฉะนั้นให้เชื่อครูบาอาจารย์เอาไว้ศรัทธาคือความเชื่อตัวนี้แหละ เ, เป็นเบื้องต้นซะก่อนถ้าาว่ามีความเชื่อแล้วพวกเราก็พยายามเดินแนวแถวที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาแนะนําสั่งสอนเพราะฉะนั้นหลวงพ่อเองก็ได้แนะนําสั่งสอน ศรัทธาญาติโยมเบื้องต้นเราควรจะทำยังไงในภาคปฏิบัติเราจะปฏิบัติยังไงครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาท่านก็มีหนังสือมีเทปมีอะไรเพราะนั้นพวกเราให้ศึกษานะศึกษาถ้ามีธรรมะเข้าสู่จิตสู่ใจแล้วมีแต่ความเยือกเย็นในจิตในใจของพวกเราแต่ถ้าว่าพวกเราไม่มีธรรมะมีแต่ส่ะแสวงหาทรัพย์อย่างเดียว มีแต่หายดฐาบรรดาสักอย่างเดียวไม่ได้หาธรรมเข้าสู่จิตใจคิดว่าจะมีความสุขหาความสุขไม่เจอนะจิตใจจะว้าเหวอ้างว้างเงียบเหงาเพราะมันหาหลักยึดไม่ได้เท่าแก่ชรามาเท่าไหร่เราก็ยิ่งคิดหมักมันหาหลักยึดไม่ได้เพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราส่องแสวงหาทรัพย์ภายนอกด้วยแล้วก็ส่องแสวงหาทรัพย์ภายในด้วยนั่นแหละ เรามีทรัพย์สมบัติภายนอกก็มีอยู่ไม่เดือดร้อนแต่ทรัพย์ภายในอของเราก็รักษาศินไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาภาวนาทำจิตให้สงบทำจิตให้เป็นหนึ่งนี่แหละแต่ี้ความสุขความเย็นใจก็จะเกิดจากการปฏิบัติของพวกเราอยากจะให้พวกเราทําอย่างนั้นนะคืออย่าให้มันขาดตกบกพร่องทั้งสองทางทางทางโลกก็จะให้ขาดตกบกพร่อง นะทั้งทางธรรมธรรมะในจิตใจก็จะให้ขาดตกบกพร่องให้ได้ทั้งสองอย่างนะไหวพระสวดมนต์นั่งภาวนาก็ไม่ได้เห็นลงทุนอะไรมากมายแต่พยายามบังคับจิตใจของตนเองให้อยู่เท่านั้นเองนะเรานั่งภาวนาเราได้เสียอะไรไหมเราไม่ได้เสียอะไรเราเสียเวลาไหมก็ไม่เห็นเสียเวลาเพราะเราทำอย่างอื่นมากกว่านั้นเราก็ยังทํแต่นี้เราบังคับใจของเราเนี่ย ให้นั่งสมาธิวันนี้เราจะนั่งหนึ่งชั่วโมงเราก็นั่งคัดสมาธิแล้วก็อยู่ในห้องเยน็ยนๆอยู่แล้วหรือว่าในที่อากาศปรอดโร่งเราก็กำหนดลมหาย ใ, ใจเข้าพุทธหายใจออกโธ บ, บังคับให้จิตใจอยู่กับ ก, บกรรมฐานที่เรากำหนดเอาไว้ เ, เพียงแค่นั้น ะ, ะจากนั้นก็ทาไปเรื่อยๆแต่ละวันพยายามอย่าให้มันขาดทำให้ต่อเนื่องสืบเนื่องไปเรื่อยๆ ผลแห่งการปฏิบัติที่พวกเราทําอย่างสืบเนื่องนี่แหละจะทําให้จิตใจของเรามีหลักยึดเมื่อเราเจ็บไข้ได้ป่วยหรือว่าเราตกทุกข์ได้ยากคนเรามันจะต้องเจอแน่ๆไม่วันใดก็ต้องวันหนึ่งไม่ครั้งใดก็ต้องครั้งหนึ่งที่มันมากระทบใจของเราอย่างแรงในเมื่อเราเคยฝึกนั่งสมาธิเคยฝึกนั่งปฏิบัติเหมือ น, นเราทํา ที่มุงบังให้แก่จิตใจของพวกเราเหมือนกระทําฝาบ้านหรือที่มุงบังให้แก่พวกเราการนั่งสมาธิเนี่ยเราฝึกหัดหรือว่าเหมือนเราสร้างบ้านให้แก่ตัวเราถ้าหาว่าเราทําดีแล้วสิ่งภายนอกที่มากระทบกระพือพัดจัดจัดฝนแดดลมเข้ามาเราก็มีที่กําบัง ใจของเราก็เช่นเดียวกันถ้าหากว่าพวกเรามีสมาธิรักษาใจของเราในเมื่อมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นอารมณ์เดือดร้อนเกิดขึ้นเราก็วิ่งเข้ามาหาสมาธิกําหนดลมหายใจเข้าออกจากนั้นก็พิจารณาว่าเราไปคิดไปเจอสิ่งเหล่านั้นขึ้นมาเนี่ยเราเจอเพราะอะไรทําไมเราจึงไปทุกข์กับสิ่งเหล่านั้นถ้าเรามีสมาธิมีปัญญา เราก็มองเห็นสิ่งเหล่านั้นจากนั้นเราก็พร้อมที่จะปล่อยวางพร้อมที่จะพิจารณา mm hmm. เห็นโทษของมันเมื่อเห็นโทษของมันแล้วก็ปล่อยวางมันก็ไม่ทุกข์ใจแต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้พิจารณาไม่เคยปฏิบัติมา ก, ก่อนสิ่งทั้งหลายทั้งปวงเข้ามากระทบจิตใจของพวกเรามันแบกทั้งหมดนะเ mm hmm. ดีมันก็แบกชั่วมันก็แบกรักมันก็แบกชังมันก็แบก อะไรมันก็แบกหมดมันหนักอยู่ในจิตในใจแต่ถ้าหาว่าพวกเราได้ปฏิบัติแล้วมันจะปล่อยวางอะไรก็ได้เพราะเราไม่คิดว่าจะอยู่ช่วฟ้าดินสลายอะไรก็ได้อรวยก็ดีแต่ถ้าไม่รวยเอก็มีพออยู่พอกิน อ, อ้าวพอคล้ายๆว่ะแต่จะให้ว่างออมืองอเท้านั้นไม่ใช่นะ ถ้าว่าผู้ปฏิบัติธรรมแล้วไม่ใช่ผู้งอมืองอเท้าอย่างพวกเราเห็นไหมอย่างองค์หลวงตาเนี่ยนะท่านอายุถึงเก้าสิบปีแล้วท่านยิ่งขยันกว่าพวกเราอีกเวลาท่านไปที่ไหนกลับมานู่นลงไปเดินอยอกลมพอเสร็จขึ้นมาอา้าวเข้าห้องนั่งตอ น, นเย็นเย็นอ้าวลงไปเดินอยกอกลมเวลาอยู่ธรรมดาอา้าวแสดงธรรมอา้าว ออกไปสงเคราะห์ อ, อนุเคราะห์โลกนี่แหละผู้มีธรรมแล้วก็ดูพุทธจริยาของพระพุทธเจ้าก็เหมือนกันพุทธกิจของพระองค์เป็นยังไงแต่ละวันเราศึกษาอยู่ในพระไตรปิฎกว่าเป็นยังไงอย่างนั้นแล้วผู้มีธรรมเนี่ยจะเป็นผู้ไม่ลืมตัวไม่หลงตัวนะรู้เท่ารู้ทันพยายามทําคุณงามความดีให้แก่โลกให้ตัวเอง สรุปแล้วก็คือเป็นผู้ไม่ประมาทอย่างประโยชน์ตนและประโยชน์ท่านให้ถึงพร้อมโดยความไม่ประมาทอันนี้แหละคือผู้มีธรรมแต่ต้องเป็นลักษณะอย่างนั้นแต่ถ้าว่าผู้ไม่มีธรรมและมีแต่กิเลสอะไรไมันก็เห็นแก่ตัวความขี้เกียจความมักง่ายความง่วงเหงาเเานอนอะไรมาหลุมมาต้มทั้งหมดน่ะเออแต่ว่าพวกเราพยายามทําสมาธิ มีคุณธรรมมีศีลธรรมในจิตใจแล้วพวกเราจะได้รับแต่ความร่มเย็นผาสุกสำหรับฆราวาสญาติโยมอุบาสกอุบาสิกาท่านก็สอนเรื่องทานศีลภาวนาเป็นหลักถ้าว่าเป็นพระท่านก็สอนไตรสิกขาศีล ส, สมาธิปัญญาถ้าเป็นญาติโยมท่านกยให้ทานเนอพวกเราเกิดมาในโลกเนี่ยไม่ใช่เกิดมาพบเดียวชาติเดียว ถ้าว่าพวกเราไม่สั่งสมบูญไว้ถ้าว่ามีพบมีชาติต่อไปภายภาคหน้าพวกเราจะยากจนเพราะอา น, นิสงทานไม่มีแต่พวกเรามีอะไรก็ทาบุญ ท, ทําทานตามอัตภาพเลี้ยงบิดามารดาเลี้ยงพระสงฆ์สงเคราะห์โลกสงเคราะห์สุมชนสงเคราะห์ที่คนได้รับทุกข์ยากลําบากกว่าเรา เราพอที่จะช่วยเหลือจุดไหนได้เราก็ควรจะเสียสละโดยกําลังกายกําลังทรัพย์ของเราให้มีฐานะในการให้ใการเสียสละแต่อย่าให้ตัวเองเดือดร้อนนะยังประโยชน์ตนอย่าให้ตนเดือดร้อนประโยชน์ท่านก็ให้มีใช่วยเหลือท่านอันนี้คือพระพุทธเจ้าที่ท่านสอนอุบาสกอุบาสิกาพระสงฆ์สัมมาเนน ให้เป็นผู้เสียสละสินสำหรับครวาสสินห้าเนอเป็นพื้นฐานถ้าว่าใครมีสินห้าอยู่ในจิตในใจแล้วจะไม่ตกนรกจะไม่ไปสู่ทุกขติมีแต่ไปสู่สุ ข, ขติอย่างเดียวอันนี้คือพระพุทธเจ้าที่ท่านบอกเอาไว้สินจะคุ้มครองทั้งในชาตินี้และชาติต่อไปในชาตินี้ ผู้ที่รักษาศีลก็จะมีแต่ความอบอุ่นทางจิตใจจะได้รับความไว้วางใจในเพื่อนมนุษย์ชาติจะไปในที่ไหนไปอยู่กับสัตว์ที่ร้าชานเขาก็ไม่กลัวเพราะว่าเราไม่ได้คิดจะฆ่าเขาในเพื่อนมนุษย์มนุษย์ก็ไว้ใจเพราะว่าเราเป็นผู้มีศีลผู้รักษาศีลไม่ฆ่าสัตว์ ไม่ลักขโมยทรัพย์ของคนอื่นไม่ประพฤติผิดในการมไม่มุสาไม่ดื่มสุราคือดื่มสุราจะทำให้จิตใจมัวเมาลุ่มหลงขาดสติในการเป็นอยู่คนที่ขาดสติเหมือนกับคนเป็นบ้าไปใกล้ก็กลัวเหมือนกันนะแหมเผลอเผมันจะฆ่ามันจะทำอะไรทำร้ายเราไดเ้เพราะนั้นขินห้าเนี่ยพระพุทธเจ้าที่ ท่านสอนเอาไว้คือปัจจุบันนี้ก็อยู่กับผู้ใดก็เป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจสําหรับผู้ที่เกี่ยวข้องผู้ที่อยู่ใกล้ผู้อยู่ไกลก็ต่างคนต่างมีประเทศชาติก็จะร่มเย็นเป็นสุขถ้าว่าผู้มีศีลห้าคนที่มีศีลห้าในชาติมากๆเป็นที่ไว้เนื้อเชื่อใจกันอันนี้คือคุ้มคลองในปัจจุบันในชาติ แต่ในชาติต่อไปพระพุทธเจ้าท่านก็บอกว่าผู้มีศีลห้าผู้หนักในศีลห้าในอดีตชาติถ้าว่าเกิดมาในภพนี้ชาตินี้ชีวิตของเขาจะยืนยาวถ้าว่าเขาไม่ได้เบียดเบียนสัตว์ไม่ได้รังแกสัตว์จะไม่ถึงกับฆ่านะลังแกเบียดเบียนเห็นสัตว์ไม่ได้ทำร้ายเขาท่านก็บอกว่าชีวิตของเขายืนยาวแล้วสุขภาพเขาก็าดี ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยเพราะว่าไม่ได้ลังแกสัตว์ไม่ได้เบียดเบียนสัตว์อันนี้สินข้อที่หนึ่งที่พวกเราได้รับในอดีตชาติเพราะนั้นคนเราเกิดมาจึงไม่เหมือนกันบางคนก็มีเงินทำทรัพย์สมบัติแต่สุขภาพร่างกายแย่มากเพราะเหตุไรอันนี้สงทานเขาดีแต่อนนสงสงสินเขาใช้ไม่ได้แต่บางคนอันนี้สงศินเขาดี อันนี้สงทานไม่ดีอันนี้สงสินร่างกายของเขาแข็งแรงอายุยืนยาวเพราะเขาไม่ได้ฆ่าสัตว์แต่เขาไม่ได้ทำทานเอาไว้เกิดมาพบน้ชาตนี้ถึงร่างกายจะแข็งแรงอายุยืนยาวแต่เขาก็ยากจนเนี่ยเพราะอันนี้สงทานไม่มีเพราะนั้นทั้งทานทั้งสินเนี่ยมันไปด้วยกันอันนี้สินสินข้อที่หนึ่งข้อที่สองอาทินาา น, นาทานอทินนาทานนี่ก็ ถ้าเราไปในสถานที่ใดเกิดในสถานที่ใดของเราจะไม่เสียหายเขาจะไม่ลักไม่ขโมยไม่ปล้นไม่จี้ไม่เบียดไม่บังของเราอย่างที่เมื่อกี้นี่หลวงพ่อยังได้ปารบกับโยมที่ตายนะ่ะคือโยมเนี่ยแถววัดหลวงพ่อนั่นอ่ะไปประสบอุบัติเหตุ พวกเราก็คงจะได้อ่านหนังสือพิมพ์ที่ว่าตายเก้าศพเมื่อกี้เนี่ยหลวงพ่อกทอําบุญเมื่อวานเนี่ยแต่มีโยมคนหนึ่งตายทั้งหมดด้วยการเก้าคนมีโยมคนหนึ่งถือเงินใบเพื่อจะไปจ่ายชําระค่าโรงสีเงินหมื่นกว่าบาทเนี่ยแต่ก็มีทองอยู่นั้นด้วยแต่ของคนอื่นหมดแต่ของยายคนเนี้เขาไม่เอา ทำไมเขาไม่เอาเพราะเลือดกระจายมันทับกระเป๋าเขาไม่ไม่กล้าหยิบเพราะงั้นเถอะมันเลือดมันเลอะพราะใที่สุดเงินในกระเป๋าใบนั้นเน่ยหมื่นกว่าบาทไม่เสียสักตางค์เลยแต่ของคนอื่นเครี้ยงหมดหลวงพ่อว่าโอ้อันนี้ก็คงจะอันนิสงส์ศินเขาดีเอ๋ศิลที่ว่าอัินนาทานดีแต่ศิลปานาของเขาเนี่ยเขาคงจะเคยฆ่าสัตว์แต่อัตินนาทานเขาคงจะเป็นคนซื่อสัตว์ ในอดีตชาติเพราะนั้นขโมยหรือว่าใครไม่กล้าเอาของเขาทรัพย์สมบัติที่ติดตัวของเขานี่ยแต่ทั้งที่มันจะเห็นกระเป๋าแล้วก็คงจะหยิบขึ้นมาเขาไม่เอาทั้งที่เงินอยู่นั้นหมื่นกว่าบาทนะผลที่สุดก็มีคนเดียวที่เงินไม่หายว่างั้นเ่ะอันนี้อาทินาทานก็ลักษณะอย่างนั้นแหละถ้าหากว่าอันนี้สงสีนข้อนี้ดีทรัพย์สมบัติของเราก็ไม่เสียหายไม่มีใครจะมางัดแงะป่นจี อะไรของเราไปได้เพราะฉะนั้นศิลข้อนี้ก็คุ้มครองพวกเราในอนาคตชาติเหมือนกันศิลข้อที่สากาเมสุมิชฉาจารย์ถ้าว่าใครรักษาดีแล้วเกิดมาพบหน้าชาติหน้าสามีพัญญาลูกเต่าล้านเหรนที่เกิดมากับพวกเราว่านอนสอนง่ายเข้าอกเข้าใจซึ่งกันและกันไม่ไปคนละทิศคนละทางเพราะอันนี้สงศิน ข้อที่สามของเรารักษามาด้วยดีพูดอะไรก็เข้าใจกันได้อันนี้คือศีลรักษาศีลข้อที่สามดีอันนี้สงศิลข้อที่สี่ในอนาคตชาติถ้าเรามีชาติในอนาคตชาติเราเกิดมาก็จะไม่มีใครโกหกต่อแหลหลอกลวงเราเพราะเราไม่เคยหลอกลวงเขา มีอะไรเราก็พูดตามความเป็นจริงซื่อสัตย์สุจริตการพูดจาพาทีเราพูดยังไงเป็นอย่างนั้นเรารับยังไงเราทำอย่างนั้นเราก็ไม่เคยโกหกคนอื่นเขาถ้าเรามีพบมีชาติเกิดมาชาตินี้ก็ไม่มีใครต้มตุ๋นโกหกเราแต่ถ้าหากว่าเราเคยทำกับเขาไว้มาก่อนอันนี้สงสีนของเราไม่ดีในชาติก่อน ชาตินี้เขาก็คงมาเช็คบินเราแน่ๆเหมืั้นเถอะอยู่ดีๆเขาพูดอะไรก็เชื่อหมดเพราะตัวเองเคยโกหกเขาเอาไว้นี่แหละศินข้อที่สี่ที่คุ้มครองพวกเราศินข้อที่ห้าสุราเมรยะมัชัะประมาถ้าว่ามีศินข้อนี้ดีเกิดมาพบใดเกิดมาพบหน้าชาติหน้าสติปัญญาของเราก็เสียบแหลมอ คิดอ่านไตรตรองาแสวงหาทรัพย์ได้ด้วยปัญญาของพวกเราเพราะนั้นสิลที่พระพุทธเจ้าที่ท่านบัญญัติเอาไว้พึมองทั้งปัจจุบั น, นชาติแล้วก็สืบเนื่องไปในอนาคตชาติด้วยอย่างที่หลวงพ่อได้กล่าวไว้เนี่ยที่ได้แนะนําให้พวกเราท่านทั้งหลายได้รับรู้รับทราบสินห้าของพุทธเจ้ามีคุณค่าทั้งปัจจุบั น, นชาติ เกิดในชาตินี้ก็มีคนยอมรับนับถือในอนาคตชาติก็จะคุ้มครองไปอีกอายุยืนยาวสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีทรัพย์สมบัติก็ไม่เสียหายอยู่ที่ใดไม่มีใครเบียดบังสามีพัญญาลูกเต่าเล้าหลานเกิดมาก็ว่านอนสอนง่ายไปเกิดในสถานที่ใดไม่มีใครโกหกหลอกลวงเราได้เพราะเราไม่เคยทำให้กับเขา ความจดจำสติปัญญาของเราก็ดีมีปัญญาไปเรียนในสถานที่ใดก็ดีเพราะอนิสง์การไม่ดื่มชุรอันถ้าหากว่าศีลทานศีลภาวนาภาวนาทากิจให้สงบเนี่ยภาวนาคำนี้มีทั้งสมมตะทั้งวิปัสสนาทั้งปัญญาทั้งสมาธิคนที่มีสมาธิดี เกิดมาพบนี้ชาตินี้เป็นผู้มีสติปัญญาเสียบแหลมคิดอ่านไตรตองเรื่องอะไรรู้แจ้งเห็นจริงได้ง่ายเพราะนั้นถ้าจะว่าไปแล้วศีล ส, สมาธิปัญญาของพระพุทธเจ้าที่ท่านแนะนำสั่งสอนพวกศรัทธาญาติโยมทุกท่านเหมือนกับหลวงพ่อเปรียบเทียบเหมือนสามขาอย่างว่างั้นเถอะออไม่ล้มออท้งศีลสมาธิ ปัญญาเนี่ยคือสามขาอย่างให้ไปด้วยกันอนนี้สงทานเป็นยังไงถ้าคนไม่มีทานเป็นยังไงถ้าคนไม่มีศีลเป็นยังไงคนถึงจะร่ํารวยแต่คนโกหกเราเป็นยังไงแล้วก็สามีปัญญาทะเลาะกันพูดกันไม่รู้เรื่องเป็นยังไงเพราะอันนี้สงศีลไม่ดีเออไม่ต้องพูดถึงว่างั้นเนี่ยมีแต่ความทุกข์ใจอยู่ตลอดทั้งชีวิต เพราะนั้นพวกเราเรื่องทานก็ดีเรื่องศีลก็ดีเรื่องภาวนาก็ดีเราไม่ได้ทำให้แก่ใครทั้งหมดทำให้แก่ตัวของเราเท่านั้นถ้าเราคิดอย่างนี้แล้ว เ, เราก็ควรจะมีแก่จิตแก่ใจทําทานตามอัตภาพรักษาศีลอย่าให้ขาดภาวนาก่อนหลับก่อนนอนทุกวันการภาวนาก็อย่างที่ครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาแนะนาสั่งสอนไม่ยาก อย่างพวกเรานั่งอยู่ขณะนี้เนะี่ยที่หลวงพ่อพูดก็นึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธในใจแล้วก็ฟังธรรมะฟังหลวงพ่อพูดไปด้วยนึกพุโทโธพุโทโธพุโทโธไปด้วยอันนี้แหละคือภาวนาจากนั้นเมื่อเราทําภาวนาจิตใจสงบเป็นหนึ่งแล้วเป็นพื้นฐานของจิตของใจแล้วเมื่อเท่าแก่ชรลาเราก็ไม่ว้าเหวนะจิตใจของเรามีหลัก มีหลักยึดคือยึดคุณงามความดียึดบุญยึดกุศลแต่ถ้าหากว่าพวกเราไม่ได้สร้างคุณงามความดีไว้เป็นยังไงมีแต่สแสวงหาทรัพย์สมบัติภายนอกไม่ได้สนใจเรื่องจิตตภาวนาพอถึงคราวจำเป็นที่จะต้องตายและจะต้องจากโลกที่ไปแล้วจิตใจของเราจะกระเสือกกระสนแล้ววิ่งหาคุณงามความดี คุณงามความดีเราก็ไม่ได้เชื่อเราก็ไม่ได้ตั้งใจเราก็ไม่ได้คิดเราก็ไม่ได้สร้างเอาไว้นั่นแหละทีนี้มันจะทุกข์มากถ้าใครไปแนะนําอะไรยึดหมดทีนี้เออไปยึดหมดที่เขาแนะนําเขาให้นับถือผีก็นับถือผีให้เขานับถืออะไรก็นับถือแนะนําให้ไปเส้นสวงที่ไหนก็ไปเอ่เขาจะให้กราบต้นไม้กราบขี่หมูขี่ม้ากราบหมดว่างั้นเถอะเพราะใจไม่มีหลักเพราะฉะนั้นพวกเราจะจะเป็นอย่างงั้นไหม่ ถ้าไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นก็ควรจะทําหลักจิตหลักใจยึดแนวแถวที่พระพุทธเจ้าที่ท่านสอนเอาไว้นั่นแหละถ้ามีหลักยึดอย่างนี้แล้วใครจะโน้มเอียงอย่างไรไม่มีใครจะโน้มเอียงใจของเราได้จิตใจของเราจะมั่นคงที่สุดเชื่อกรรมเชื่อผลของกรรมเราตายไปแล้วเราจะไม่ไปอย่างตกทุกข์ได้า ย, ยากแน่นอนเพราะว่าเราปฏิบัติดีอยู่แล้วเราดูใจของเรา ดีอยู่แล้วเมื่อใจพองเรไม่ไปนระกใครจะไปเราจะไปทำไมเรารู้อยู่แล้วเนี่ยเราไม่ได้ทำกรรมชั่วอะไรเลยเรามีแต่ทำกรรมดีตลอดเราจะไปทำไมในทางที่มันชั่วเราก็ต้องไปสู่สุขติคือความสุขที่เราได้บำเพ็ญเอาไว้แล้วเพราะนั้นพวกเรา ท, ทุกทุกท่านนะที่หลวงพ่อได้พูดกล่าวมาตั้งแต่เบื้องต้น คือศรัทธาคือความเชื่อตั้งศรัทธาคือความเชื่อเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในแผนที่พุทธเจ้าคือพระธรรมคําสั่งสอนของพระองค์จากนั้นพวกเราก็พยายามพิสูจน์ด้วยตนเองคือนั่งสมาธิพยายามทําจิตให้สงบเป็นคณิกะอุปจาระอัปปนาในที่สุดจากนั้นเราก็จะรู้ได้ด้วยตนเองว่า ตายแล้วเกิดหรือตายแล้วศูนย์ไม่ต้องถามใคร น, นี่แหละหลักพิสูจน์ถ้าหาว่าเราไม่เชื่ อ, อมีตลับหูหลับตาไม่เชื่อใครมันไม่เกิดประโยชน์ทั้งนั้นแหละเะพราะนั้นต้องเชื่อตั้งความเชื่อในพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์เชื่อในแผนที่ของพระพุทธเจ้าก่อนพยายามเดินตามพวกเราจะได้รับความโ่มเย็นมีหลักใจใจของเราจะได้รับความผาสุกตลอด นานเท่านานจนถึงอวาสานของชีวิตเมื่อบุญบา ร, รมีแก่กล้าขึ้นไปจิตใจของเราก็จะได้เป็นพระโสดาสกทาคานาคา ร, ร, รหันหมดจดจากกิเลสเบื่อหน่ายคลายหลุดพ้นไม่มาเวียนว่ายตายเกิดในวัฏสงสารพอเราชำระกิเลสราคะโทสะโมหะออกจากจิตใจแล้วนั่นแหละเป็นบรมมสุขเทเนะพระธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้า ส่งถึงที่สุดได้นะถ้าว่าพวกเราปฏิบัติตามแนวแถวแผนที่พระพุทธเจ้าที่ท่านได้เขียนเอาไว้เพราะฉะนั้นครูบาอาจารย์หลวงปู่หลวงตาที่ท่านอยู่ป่าดงพงไพ่ที่พวกเราเคารพ ก, กราบไหว้สักการะบูชาก็ น, นี่แหละท่านเดินตามแนวแถวพระธรรมคาสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละจึงได้ไรู้ธรรมรู้แจง้งเห็นจริงท่านจิตใจหนักแน่น มั่นคงอย่างหลวงตาที่หลวงพ่อเคยถึงบ่อยๆเนี่ยคือท่านพูดอย่างเด็ดเดี่ยวนะแล้วก็พูดตามความเป็นจริงด้วยท่านไม่ได้สะทกสะท้านจริงๆท่านบอกว่าจะกลัวมาทําไมถึงจะกลัวหรือไม่กลัวมันก็ตายอยู่แล้ว เ, เราพิจารณาดูแล้วอันไหนตายเดี๋ยวนี้มันเหมือนกับไปเยี่ยมบ้านมันไม่ใช่บ้านตัวเองมันเหมือนกับเราไปเยี่ยมที่นู่นไปเยี่ยมที่นี่ใช่ไหม อันนี้ก็เหมือนกันนะเนี่ยเราเดี๋ยวนี้ใครเขาว่าเราอยู่ในร่างกายนี่มันไม่ใช่บ้านที่แท้จริงของเรามันเป็นบ้านใครเข้าว่าเป็นเครือญาติแล้วว่าไปเยียบนู้นเยียบนี้เฉยๆบ้านที่แท้จริงคือความหลุดพ้นที่อยู่เป็นอนันตการคือความหลุดพ้นจิตใจที่หลุดพ้นนอกจากสมมติทั้งหลายทั้งปวงอคือพระนิพพานอันนั้นแหละคือเป็นเป็นบ้านที่แท้จริง ถ้านออกนั้นกัอเดี๋ยวนี้เหมือนกับไปเยียบนู้นเยียบนี้ไปเรื่อยมันไม่ใช่บ้านเพราะงั้นไม่ใช่บ้านที่ถาวรเนี่ยอันนี้ท่านพูดคล้ายๆกับ ว, ว่าที่พระพุทธเจ้าท่านตรัสเอาไว้ว่าทิ้งภาชนะดินไปรับอภ า, าชนะทองคําพระหานท่านไม่กลัวขนาดนั้นแหละคล้ายๆว่าท่านทิ้งภาชนะดินภาชนะดินไม่มีคุณค่าร่างกายอันนี้นะไม่มีคุณค่าสําหรับท่าน ท่านเห็นอยู่แล้วภาชนะทองคำรอท่านอยู่เมื่อใช้ภาชนะดินอาท่านก็ใช้ไปก่อนแตท่านจะไปเสียดายทำไมภาชนะดินในเมื่อท่านจะได้ภาชนะทองคำอยู่แล้วเนี่ยเพราะนั้นท่านจึงไม่สะทกสะท้านในชีวิตของท่านที่จะจากไปรือเป็นอยู่นะอันนี้ก็พวกเราก็เป็นพุทธบริษัทพุทธศาสนกชนควรจะฟังเอาไว้เหมือนกันจากนั้นก็พยายามเดินตามแนวแถวที่เอ่ หลวงพ่อได้อธิบายให้ฟังนะพยายามนั่งสมาธิเนี่ยที่หลวงพ่อพูดในวันนี้เรื่องเน้นหนักที่สุดคืออะไรให้พวกเรานั่งสมาธิพูดอย่างนั้นได้เลยนะพยายามให้จงใจให้พวกเราฝึกหัดนั่งสมาธิถ้าว่าพวกเราฝึกหัดนั่งสมาธิต่อไปภายภาคหน้าพวกเราจะเห็นว่าเออหลวงพ่ออินเป็นผู้แนะนา ให้พวกเรานั่งสมาธิพวกเราเห็นคุณค่าข่าวนั้นแหละพวกเราท่านทั้งหลายจะเห็นประโยชน์ในการนั่งสมาธิเพราะคนที่นั่งสมาธิจิตใจจะหนักแน่นจิตใจจะไม่ว้าเหว่อ้างว้างเมื่อเท่าแกชลามาจิตใจก็มีหลักยึดแต่ถ้าว่าพวกเราไม่ได้นั่งสมาธินะจิตใจโงงเวงนะพอจวนจะตายมาประสบอะไรเข้ามาเนี่ยวิ่งไปหาไม่รู้จะคิดหาอะไร จิตเลื่อนลอยจิตไม่มีที่ยึดที่กเกาะจากนั้นมาคนมิจฉาทิฏฐิมาก็ให้เอ้าเจ้าไปไหว้ขี้หมาจะไปไหว้ขี้หมาอย่างที่เขาบอกแล้วได้ทีไหนเพราะกลัวตายแต่ถ้าว่าคนมีหลักใจแล้วจะไม่เป็นอย่างนั้นวิ่งเขาหาธรรมะที่เราได้ประพฤติปฏิบัติยึกทีเดียวเลยเยึดมั่นในพระพุทธเจ้าพระธรรมประสงค์เยึดมั่นในศีลสมาธิปัญญา จิตใจของเราจะมีแต่ความร่มเย็นเป็นถูกเพราะฉะนั้นพวกเราท่านทั้งหลายนะแม้เมื่อได้ยินได้ฟังอย่างที่หลวงพ่อพูดแล้วก็ให้นําไปปฏิบัตินะเรื่องภาวนาจิตภาวนาเป็นสิ่งที่จําเป็นสําคัญอย่างยิ่งหลวงพ่อเคยพูดอธิบายให้ฟังนั่งก่อนจะหลับจะนอนก็นั่งภาวนานึกพุโทโธพุโทโธไม่ไม่ได้เสียหายอะไรทําใจให้สบายสบายปล่อยวางอย่าไปคิดถึงอดีตที่ผ่านมาอย่าไปคิดถึงอนาคต ให้ใจอยู่ในปัจจุบันนะเพียงแค่นั้นละ่ะห้านาทีสิบนาทียี่สิบสามสิบนาทีชั่วโมงสองชองั่วโมงสุดแท้เราจะนั่งถ้าเรานั่งสมาธิเราเห็นคุณค่ามันขยันเองนะใ ห, หม่ๆล้วก็บังคับหน่อยก่อนหลับก่อนนอนแล้วก็นั่งพุทโธพุทโธนี่ละ่ะถ้ามีอะไรเกิดขึ้นมีปัญหาอะไรเกิดขึ้นจิตใจของเราจะวิ่งเข้าหาหลักยึดตัวนี้แน่นอน ไม่ต้องสงสัยเลยเลยว่างั้น่ะอะการพูดในวันนี้ก็เห็นว่าพอสมควรกับเวลาลุงพ่อขอจบเพียงเท่านี้